ใจให้ละความอยากโดยสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นไม่เทีย่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้ก็มีความสุขเวลาหมดก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่อยากได้ ใจก็ไม่สบายแล้วใจไม่สงบแล้วแล้วเวลาได้มาแล้วก็ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาก็ไม่ก็ไม่สงบอีกเหมือนกันแล้วเวลาที่เสียไปก็ไม่สบายใจ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 เปลี่ยนจากความสงบมาเป็นความไม่สงบก็จะเห็นความแตกต่างจะเห็นว่าเวลาใจไม่สงบนั้นเวลาใจอย่างนั้นทําให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาถ้าอยากจะให้ใจกลับคืนสู่ความสงบก็ต้องหยุดความอยากนี่เป็นมาร์กที่เรา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 ควบคู่ไปกับการทำภารกิจเหล่านี้ถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาได้อยู่แบบนักบวชอยู่แบบพระภิกษูนได้การที่จะเจริญมากให้สมบูรณ์ก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดาย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 จิตก็จะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ําที่นิ่งแล้วมีปลาผลักขึ้นมาโผล่ขึ้นมาน้ําที่นิ่งก็จะมีคลื่นขึ้นมาอย่าใดใจที่สงบแล้วเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไรใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาเริ่มเกิดความ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 สมมุติว่าเราเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่ารักษาไม่หายเราก็เลยต้องมาบำบัดจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์กับโรคมะเร็งไม่ให้ทุกข์กับความตายเราก็เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบความทุกข์เกี่ยวกับโรคมะเร็งก็จะหายไป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 กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับโรคมาเรงกับความตายที่กำลังจะเข้ามาหาพอใจยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เป็นของเรา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 ความทุกข์ก็จะหายไปใจก็จะกลับมาสู่ความสงบกลับมาสู่ความสุขใจสามารถมีความสุขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้กับความตายได้ด้วยอำนาจของมรรคก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราจเจริญสติและเราเข้าสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอใจคิดไปในทางความอยากเราใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจใจก็จะหยุดความอยากได้ไม่ว่าจะอยากกับเรื่องอะไรสามารถใช้ตายรักณ์เป็นเครื่องมือสอนใจได้เสมอนอกจากความอยากในกามอารมณ์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 ทำภา ร, ร, ร, รกิจคือกําหนดรู้ทุกคือเห็นทุกข์และละสมุ ท, ทยัยผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจถ้ามีสมาธิมีปัญญาแล้วใจเห็นทุกข์กับสมุทายนี้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นภายในใจของเราปัญหาของเราไม่ได้อยู่กับบุคคลนั่นบุคคล น, นี้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 ปิบติภารกิจในอริยาศาสตร์สี่เราต้องใช้มรรคเป็นตัวนำในการปฏิบัติภารกิจในอริยาศาสตร์สี่เพราะเราต้องใช้สติสมาธิปัญญาในการกำหนดรู้ทุกในการเห็นทุกแล้วต้องใช้ในการละสมุทัยเพื่อที่จะทำให้เกิดนิโรธคือการดับของทุกปรากฏขึ้นมา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 ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสําคัญเท่ากับการเจริญมากเท่ากับการความเพียรพยายามที่จะเจริญมากให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดให้สําเร็จอันนี้เป็เพราะเวลาของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆวันเวลามันไม่คอยใครมันไม่คอยเรา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 เพราะการเจริญลาบยศสรรเสริญเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นการเจริญมากเพื่อไปสูก่การดับความทุกข์ต่างๆแต่เป็นการเจริญสมุ ท, ทยัยก็คือความอยากต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้น และจะต้องเจอความทุกข์เพราะว่าลาบยศสละเสริญนี้ไม่ได้มีแต่การเจริญเพียงอย่างเดียวมีการเสื่อมด้วยเหมือนกันเพราะเป็นายลักเหมือนกันเป็นอ น, นิจจังไม่เทียมมีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีเกิดย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องเสื่อมและจะต้องหมดไปเช่นเวลาที่ร่างกายตายไปลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดไปพร้อมๆกับความตายของร่างกาย ใจที่ยังต้องมีการเจริญของราบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องทุกข์และจะต้องเดินโน่นไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหารากยศสรรเสริญ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 นี่แหละคืองานของพวกเราที่พวกเราควรที่จะรีบขวนขวายรีบปฏิบัติกันเพราะเวลาของเราน้อยลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นฟังเทศมาจนถึงบัดนี้เราก็เสียเวลาไปแล้วส่วนหนึ่งหลายสิบนาทีแล้วแล้วนาทีมันก็จะไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับกระแสน้ํา เหมือนกับน้ำที่เรามีอยู่ในแท้งอยู่ในตุ่มถ้าเราปล่อยให้มันไหลออกมามันก็จะไหลไม่หยุดมันจะหยุดก็ต่อเมื่อไม่มีน้ำเหลืออยู่แล้วแต่นนในเวลาของพวกเราก็จะน้อยลงไปเรื่อ ย, เ ร, อยเราก็จะเดินเข้าสู่จุดที่เราจะไม่สามารถที่จะใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของเราได้ เวลาเราแก่เราจะรู้สึกว่าปฏิบัติยากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งยากใหญ่แล้วเวลาตายก็ปฏิบัติไม่ได้เลยเราจึงควรที่ลำนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเพื่อเป็นการกระตุ้นความเพียรของเราไม่ให้เราอยู่นิ่งนอนใจอยู่เฉย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 ลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่จะต้องหมดสภาพไปพอหมดสภาพไปใจก็ไม่สามารถหาความสุขทางนี้ได้ใจก็จะมีแต่ความทุกมาแทนที่แต่ถ้าใจมีมากใจก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใจมีเครื่องมือที่ดีกว่า มีมรรคที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นถ้าเรารู้จักจเจริญรู้จักรักษาธรรมชาติของมรรคนี้ไม่เหมือนกับธรรมชาติของร่างกายที่มีจเจริญแล้วจะต้องเสื่อมธรรมชาติของมรรคนี้มีแต่จ ะ, จะเจริญไปถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะอยู่ไปตลอดนอกจากเราไม่จเจริญมันเท่านั้น หรือเจริญแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเราก็หยุดเจริญปล่อยปะละเลยอย่างนี้มันก็เสื่อมได้แต่ถ้าเราหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆมันจะไม่เสื่อมเช่นสติถ้าเราฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆสติจะไม่มีวันเสื่อมไปจากใจเมื่อเมื่อมีสติแล้วก็สามารถที่จะเข้าเข้าไปในสมาธิได้เสมอได้ตลอดเวลา ต้องการจะเข้ามาไหนก็เข้าได้เรื่อเมื่อมีใจมีความสงมบก็จะเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยภายในใจแล้วก็จะสามารถใช้มรกเข้ามาละสมุทัยได้ดับความทุกข์ได้ทานิโรธให้แจ้งได้การเจริญมรกจึงมีแต่ได้อย่างเดียวไม่มีเสียไม่เหมือนกับการเจริญลาบยศสรรเสริญ จเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีวันเสียมีวันหมดไปดังนั้นเราจะมาเสียเวลากับการจเจริญในสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปหมดทำไมทำไมเราไม่มาจเจริญในสิ่งที่จะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะปกป้องคุ้มครองไม่ให้เราต้องไปทุกไปตลอด ขอให้เราพิจารณาดูว่าเราควรจะไปทางไหนกันดีไปทางมรดีหรือไปทางลาบยศรเสรินสุขดีถ้าไปทางลาบยศรเสรินสุขก็ไปสู่ความทุกข์ถ้าไปทางมร ก, ก็ไปสู่ความสุขที่ถาวรไปสู่การดับทุกข์ที่ถาวรตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งนำนินมา และส่งสอนให้พระอรหันตสาวกทั้งหลายดำเนินตามผู้ใดดำเนินตามก็จะได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาพัดพากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอยู่ในพระนิพพานไปตลอด อย่างไม่มีวันสิ้นสุดอยู่กับบรลมสุขอยู่กับปังบปังสุขขังไปตลอดนี่คือเรื่องของพวกเราที่เราควรที่จะคอยสักดันการเจริญมรรคนี้ถ้าเราไม่ฝักดันมันจะไม่ไปมันไม่เหมือนกับการเจริญราบยศสารเสริญ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 ไปสู่ความสุขที่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวท่านจึงสลัดทิ้งหมดแล้วทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างมัคเพียรพยายามสร้างมัคทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับบางท่านถึงถือกับถือข้อในสัจฉิกเลยคือไม่ยอมนอนเลยกลัวจะเสียเวลา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 คือมรรคผลนิ่ผ่านก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรผลก็จะไม่ตามมานี่คือความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคลกับพุถุชนแตกต่างกันตรงที่ความเพียร น, นี่เองอย่างอื่นไม่แตกต่างกันอย่างอื่นมีเหมือนกันหมดมีอาการ32มอเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกัน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 รู้ทิศทางของเราว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางใดถ้าเราเดินไปในทิศทางที่สวนกับทางที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินเราก็ควรที่จะยู turn, เทิร์นเลี้ยวกลับถ้าเรายังเดินไปหาลาบยศสารเสรินสุขอยู่เราก็ควรที่จะยู turn, เทิร์นเลี้ยวกลับมาหาการเจริญมกักเลี้ยวกลับมาหาการทาทานหาการรักษาศีลหาการภาวนา แล้วเราจะได้ไปถูกทางแล้วเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสุขปลอมอย่างที่เราอย่างอย่างทางของราบยศสรเสริญจะให้กับเราเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขชั่วคราวเดียวเดียว แล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าไปทางมักจะมีแต่ความสุขถาวรแต่จะมีความทุกข์เคลือบไวอยู่เพราะเป็นการเดินขึ้นภูเขามันการปีนป่ายขึ้นภูเขานี้มันย่อมเป็นเรื่องทุกข์ยากลำบากอย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วมันสบายมันจะสบายไปตลอด ทางมักนี้เรียกว่าทุกต้นแต่สุขปลายทางลาบยศสรรเสริญสุกนี้เรียกว่าสุขต้นแต่ทุกปลายเราจะเอาอย่างไหนดีเอาสุกต้นทุกปลายดีหรือเอาเอาทุกต้นแล้วสุขปลายดีเราจะเอาแบบพระพุทธเจ้าดีหรือจะเอาแบบปุตุชนดีปุตุชนตอนที่เขามีกําลังวงังฌาเขามีความสามารถเขาก็ หาความสุขต่างๆผ่านทางลาบยศรเสริญผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายได้พอเวลาที่ร่างกายเขาหมดสภาพไม่สามารถหาได้เขาจะหาอะไรเขาก็จะหาแต่ความทุกข์ใส่ใจของเขาเท่นั้ น, น, นแต่ทางของพระเจ้านี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็ยังเป็นปรมังสุขขังอยู่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 ยาถาวาเรวาหาภุราภารภุเรนติสักาลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพภูเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยาถามณิโชติ อะระโสยะถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินสัสตุมาเตผวะทวันตราโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทานสิริตสะนิจังวุทธาปจายจิโนจตารโธรมมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 ดังนัน้บมาสร้างความสุขทดแทนให้ได้ก่อนมาสร้างความสงบสร้างสมาธิให้ได้เพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราทิ้งราบยศสรรเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้อย่างสบายเลยไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยจึงต้องกลับมาเจริญสติก่อนทําใจให้สงบ ใจสงบแล้วมีความสุขแล้วที่พอพิจารณาของไม่เที่ยงปั๊บโยนทิ้งเลยไม่เที่ยงจะเก็บมันไว้ทาไมเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปแล้วก็โยนมันไปก่อนดีกว่านี่คือประโยชน์ของสมาธิถ้าใครไม่ปฏิบัติสมาธิแล้วจะไปวิปัสสนานี่ก็แสดงว่าหลงแล้วไปไม่ถูกทางไปไม่ได้ไม่มีวันที่จะไปได้ไม่มีวันที่จะ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 มนุษย์ก็คือผู้ที่เกิดแก่เจ็บตาย <Okay. S 1> ผู้ที่มีอาการสามสิบสองนี่เรียกว่ามนุษย์ถ้ามีหางก็เรียกว่าเดรฉาน <c oughs> <c oughs> ต่างกันมนุษย์กับเดรฉานต่างกันตรงที่มีหางหรือไม่มีหาง <c oughs> แต่อย่างอื่นก็เหมือนกันมีอาการสาสิบสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจุดเริ่มต้นของมนุษย์ก็อยู่ที่ท้องแม่ <c oughs> <c oughs>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 ร่างกายเติบใหญ่จนไม่สามารถอยู่ในท้องแม่ได้ก็ถูกคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ได้รับเติมธาตุสี่คือได้เติมน้ำเติมอากาศเติมอาหารที่เป็นมาจากดินร่างกายก็มาจากดินน้าลมไฟนี้เองมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็จะเจริญเติบโตไปจนถึงขีดสูงสุดอายุสี่สิบกว่าแล้วก็เริ่มนับถอยหลัง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 พ่อแม่มาได้มาแย่งลูกกัน handful. ถ้าใครมีกำลังมากกว่าก็ได้ลูกไปถ้าพ่อมีกำลังมากกว่าพ่อก็จะเอาลูกไปถ้าแม่มีกำลังมากกว่าแม่ก็จะเอาลูกไปฉันใดถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบาปก็จะเอาใจไปถ้าบาปเอาไปบ า, บ า, บ า, บาปก็จะไปอบายบาปก็จะพาไปอบายไปได้ไปเกิดเป็นเรัาฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรก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 เช่นห้ามฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพจุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเพราะว่าการกระทําเหล่านี้ไม่ได้นําไปสู่ความเจริญและความสุขแต่นาไปสู่ความเสื่อมและความทุกข์ส่วนธรรมก็คือการควบคุมจิตใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเพราะใจโลภโกรธหลงแล้วมันก็มักจะไปทําบาปทํากรรมถ้าใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็จะไม่ไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับใคร ข้อที่6อะไรที่ระบุถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์อะไรเป็นบรรทัดฐานและใครเป็นคนกําหนดคะธรรมชาติเป็นผู้กําหนดบรรทัดฐานของของใจหรือหรื อ, ห ร, อหรือคุณลักษณะของมนุษย์นี้ก็คือการมีศีลห้าผู้ใดมีศีลห้าผู้นั้นก็จะเป็นมนุษย์ถ้าขาดศีลห้าก็จะเลื่อน เลื่อนลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นสัตว์น ร, รกตามลำดับอย่างที่เมื่อกี้พูดไว้ว่าเวลาที่จิตตายเวลาที่ร่างกายตายเวลาบุญกับบาปจะมาแยกร่างกายไปถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็เอาไปอไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็เอาไปอาบายไม่ได้ใจก็จะยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะแสดงว่าไม่ได้ทาบาป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 หนูกราบขอคําแนะนําค่ะต้องเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งนี่ต้องมีสติเวลานั่งแล้วเจ็ดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องมาถามตัวเองคุยกับตัวเองเพราะยิ่งถามยิ่งคุยมันยิ่งไม่สงบใหญ่เวลานั่งนี้ต้องไม่คุยไม่คิดทั้งนั้นให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวการที่จะมีพุทโธอย่างเดียวได้ก็ต้องเจริญพุทโธมาก่อนที่จะมานั่ง ถึงบอกว่าต้องเจริญตั้งแต่ตื่นมาเลยเพราะตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปพอมีเวลาว่างเวลามานั่งมันก็จะสงบง่ายถ้าไม่มีพุโทโธเลยมาเริ่มตอนที่มานั่งมันนีก็พุโทโธได้สองคำมันก็หายไปแล้วคำถามต่อไปจากคุณภูสิทธิทวีพัฒนาพงศ์ข้อที่หนึ่งอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นภัยอันตรายของนักปฏิบัติธรรม สามารถแบ่งเป็นภัยจากภายนอกและภายในได้ไหมครับและมีวิธีป้องกันภัยนั้นๆอย่างไรครับภัยของนักปฏิบัติภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเวลานักปฏิบัติต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอย่าไปนั่งสมาธิที่หน้าโรงภาพยนตร์หรือศูนย์การค้าให้ไปนั่งสมาธิในป่าในป่าช้า อที่นั้นจะเป็นที่ปลอดภัยเรียกว่าภัยภายนอกภัยภายในก็คือกามละันทะนี่ความอยากเสพรูปเสียงกลิกกก่นลดโกรพ้ข้อที่สองนักปฏิบัติผู้มาใหม่ที่จะขอเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดยานมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับที่วัดยา น, นี่เขามี มีกฎว่าผู้ที่มาอยู่วัดต้องรักษาศีลแปดแล้วก็ต้องมีภารกิจลงบทเช้าเย็นไหวพระสวดมนต์กับนั่งสมาธิจะอยู่ก็ต้องมาจองที่พักก่อนจะให้อยู่ข้างมาเจ็ดวันนี่คือกฎระเบียบของทางวัดยามืงสังวรารามคำถามต่อไปจากคุณพทัยรัฐ การขายลอตเตอรี่ถือว่ากระทําผิดศีลผิดธรรมหรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทําตามหลักาศาสนาพุทธหรือไม่ครับอันนี้มันก็เป็นจะว่าขาวก็ไม่ขาวจะว่าดำก็ไม่ดำมันเป็นกลางๆมันก็เป็นกระดาษขายกระดาษขายฝัน <laughs> อยู่ที่คนซื้อมากกว่าว่าซื้อแบบไหนแต่ซื้อด้วยความโลภ ก, ก็เป็นก็ไม่ดี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 เพราะว่าการนั่งนี่มันจะสงบมากกว่าการเดินเพราะเวลานั่งนี่จิตจะปล่อยร่างกายได้อย่างเต็มที่จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เวลาเดินนี่จิตยังต้องประครับประครองร่างกายอยู่จิตปล่อยร่างกายไม่ได้นอกจากมีเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายจิตก็อาจจะปล่อยได้ cz? แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วมันจะไม่ปล่อย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 ตายไปก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสวรรค์แล้วถ้าไม่ระมัดระวังถ้าทําบาปตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉ า, านไปเป็นเปรตต่อไปได้นี่คือเรื่องของความตนีเรื่องของความหวงความไม่มีใจบุญสุนทานคําถามต่อไปจากคุณพิมพ์มพิมลดาลินขอสรุปคําถามนะคะช่วงนี้งานยุ่งแต่ก็ได้นั่งสมาธิบ้าง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 แล้วต่อไปเวลาจิตพยศเราจะหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสติเวลาจิตพยศนี้เราจะหยุดมันไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณไกลสากแก่นพักดีขอสรุปคำถามนะคะข้อที่หนึ่งตอนนี้ผมต้องการกําลังใจในการปฏิบัติผมอยากบวชเพื่อศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาแต่จิตใจไม่ฮึกเกิเหมือนเดิม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 สิ่งที่เราต้องคอยควบคุมบังคับก็คือใจของเราอย่าไปทุกข์กับเวทนาที่เกิดขึ้นใจของเราทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะเราอยากจะให้เวทนามันดับอยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจจะทุกข์ขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายอันนี้เป็นตัวที่เราต้องแก้เป็นปัญหาของเราเกิดจากความอยากของเราเอง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 มันจะเห็นใจรักตลอดเวลาจะเห็นทุกเวลาเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้นะงั้นตอนนี้ก็ให้กลับมาเจริญสติทำใจให้รวมก่อนทำใจให้รวมเป็นสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็สอนใจให้มองให้มองทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นเป็นใจรักให้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยง แล้วต่อไปมันจะป้องกันปัญหาหรือหยุดปัญหาได้อย่างง่ายได้หมดคำถามแล้วค่ะหลวงพ่อคําถามหมดแล้วก็ดีตั้งไว้ห่างๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ต้องศึกษาไปนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติอปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองอนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้ามานั่งคุยกันแล้วไม่นั่งสักทีมันก็ไม่รู้ออันนี้ก็เหมือนกันต้องมีปฏิบัติวางตรงไหนจุดไหนดี จุดไหนมีปัญหาจุดไหนไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องของการเรียนรู้<ะ>าถามมีคาถามเป็นมั ส, สการพระอาจารย์ครับจะสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับจังคือยังสงสัยเรื่องของช่วงที่เป็นฌานกัยา น, นะครับจากฌานที่มันเดินไปหนึ่งถึงสี่อย่างนี้ครับฌานแปลว่าการเพ่งการรวมของจิตคือสอบาความสงบยานนี้เป็นความอย่างรู้ เป็นปัญญาเป็นคนลาคำกันทีนี้จากช่วงที่จากเป็นฌานหนึ่งไปสี่อย่างเงี้ยครับช่วงุ่งนั้นเนี่ยยานแต่ละแต่ละระดับนี้มันมันเริ่มขึ้นมามนไม่ ม, ม, ไ ม, มีไม่มียาน ม, มีแต่มีแต่ความสงบมีแต่ความสงบเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆยานนี่ต้องออกมาจากความสงบแล้วเจริญปัญญาถึงจะเกิดยานอย่างทราบว่า อ, อ๋อเราละสักกายะทิฏฐิได้แล้วเราละศีลพัตปัมาตได้แล้ว เราละวิจิตกิจฉาได้แล้วอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นญาณรู้ว่าเราได้ทําอะไรรู้เรื่องไปได้แล้วแก้ปัญหาในใจของเราได้แล้วอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นญาณแต่ฌานนี้เป็นการนิ่งความสงบของใจเป็นคนละเรื่องกันเป็นเรื่องของสมาธิเป็นฌานเรื่องของญาณ น, นี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของปัญญา แล้วแล้วช่วงที่ยานเกิดนะครับหมายถึงว่าเราต้องไปจนถึงฌานสี่จนถึงจุดพลังอำนาจแล้วใช่ไหมครับคือ ถ, ถ้าเราอยู่ในฌานได้ฌานสีแล้วในขณะที่อยู่ในฌานสียานจะไม่เกิดขึ้นมานะมันจะมีความนิ่งมีความสงบมีความว่างอูบเบกขามันไม่มีวันที่จะมียานปรากฏขึ้นมายานจะปรากฏต่อเมื่อเราออกมาจากจากสมาธินั้นแล้วเราใช้ปัญญาพิจานาสภาวะธรรม เราเห็นว่าเขาเป็นไตรักษ์เห็นว่าเป็นอสุภะแล้วก็จะเกิดญาณขึ้นมาครับเราพระโสดาบันนี่คือต้องเห็นญาณนั๊กศุกญาณไหมครับก็เห็นเห็นสามัญเห็นว่ากายขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าการกระทำนอกเหนือจากคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการกระทาที่ดับความทุกข์ใจที่เรียกว่าสีลพัตตปัมา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 ไปบูชายันไปไปไปไประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆเไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะมาดับความทุกข์ใจความดี๋ยวครับดับความทุกข์ใจต้องดับด้วยศีลสมาธิปัญญาช่วงที่นั่งบางครั้งนะครับคือมันจะมีเหมือนเป็นจิตอกุศลขึ้นมาอย่างนี้ยครับทําให้เราแบบสะดุง้งพอเราเห็นอย่างนี้ครับเราเริ่มสะดุง้งก็พิ<ป>จารณาว่าเป็นตายรักษไปอย่าไปสนใจ